อันตะคากัทิฏฐิสิบประการคำว่าอันตะคากัทิฏฐินี้ก็คือความเห็นอันหาที่สุดนี้ได้ความเห็นที่หาที่สุดนี้ได้ความเห็นที่ถือเอาที่สุดคือเล่นเข้าไปถึงที่สุดในอย่าง ห, งหนึ่งเรียกว่าอันตะคากัทิฏฐินะซึ่งแยกออกไปถึงสิบเอ็ดประการคือหนึ่งโลกเที่ยง สองโลกไม่เที่ยงสามโลกมีที่สุดสี่โลกไม่มีที่สุดห้าชีพก็อ น, นันั้สิรีระก็อนันั้นกชีพเป็นอย่างอื่นสรีระเป็นอย่างอื่นเจ็ดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือเกิดอีกแปดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกเก้า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสิบสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามีได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามีได้ทั้งหมดนี้เป็นทิฏฐินอกพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์นะไม่ทรงพยากรณ์ อันนี้มีเหตุนะมีเหตุที่จะแจ้งให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายาได้ทราบว่าคือพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงสนพระไทยกับปัญหาที่ไม่จำเป็นคือหมายความว่ายังยังเป็นปัญหาที่ก่อให้ ให้ชาวโลกหรือให้ทุกคนคิดฟุ้งสัานนะคิดฟุ้งซ่านเรียกว่าพระพุทธองค์ทรงถือว่าปัญห า, อ, าอภิปรัยายเหล่านี้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่รกชัดแห่งทิฏฐิหมายถึงว่า เ, าเป็นความเห็นที่สับสนและไม่เป็นประโยชน์นะเมื่อมีปริภาชกหรือนักบวดเหล่าอื่นเหล่าใดก็ตามมาถามเรื่องทานองว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเหล่านี้พระพุทธองค์จะไม่ทรงตอบเพราะพระองค์จะปฏิเสธสรุปว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาวิพากษวิจารณ์ความเห็นเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงท่านไม่ยอมตรัสท่านจะตรัสแต่เรื่องที่เป็นของท่านคือเรื่องทุกข์และการดับทุกข์มีตัวอย่างในจูละ มาลุงกะโยวาทสูตรและพระสูตรอื่นๆอีกหลายสูตรคือในสมัยอาพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสงสัยในธรรมกราบทูลถามปัญหาต่างๆได้แต่มีปัญหาอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาประเภทนี้เรียกว่าอภยากตะปัญหาแปลว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ คำว่าพยากรณ์ในภาษาบาลีแปลว่าทำให้แจ้งคือตอบหรืออธิบายไม่ใช่ทํานายอย่างที่ใช้กันในภาษาไทยปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบคือปัญหาที่เกี่ยวกับอภิปรัยายที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งในแก่ทิฏฐิคือความเห็นของศาสด า, าในละทิต่างๆความเห็นของศาสดาในลทิตต่างๆเหล่านี้เรียกว่า อันตะคายกะทิฐิทอิ์ที่มีเรื่องเล่าในจูลมาลุงกโยวาทสูรสูตรที่ว่าด้วยการประทานโอวาสแก่พระมาลุงกะยะเรียกว่าเป็นสูตรเล็กใจความของพระสูตรนี้ว่าอาพระผู้มีพระภาคได้ประทับอยู่ที่เชตวนารามแล้วก็พระมาลุงกะยะคิดว่าพระผู้มีพระภาค อาคิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบปัญหาเรื่องทิฏฐิสิบประการมีเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเราไม่พอใจเลยเราจักทูลถามปัญหานั้นถ้าทรงตอบปัญหาเราจักประพฤติพรหมจรรย์ถ้าไม่ทรงตอบเราจะศึกเธอจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าตามที่คิดนั้น พระพุทธเจ้าถามว่าพระองค์เคยทรงชวนให้เธอมาบวชเพื่อจะตอบปัญหานี้หรือหรือว่าเมื่อเธอบวชก็พูดว่าจะบวชเพื่อให้เราตอบปัญหานี้เมื่อพระมาลุงกะยะตอบว่าเปล่าทั้งสองประการพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกะยะบตรเธอจงจำปัญหาที่เราพยากรณ์และปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ อะไรเล่าที่เราไม่พยากรดูก่อนมาลุงกะยะบุตรปัญหาต่อไปนี้เราเราเราไม่พยากรคือหนึ่งโลกเพียงคือหมายถึงว่าคงอยู่อย่างนี้ตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอสองโลกไม่เพียงคงอยู่อย่างนี้ชั่วคราวนะ ในวายูุไม่ยืนยาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้สามโลกนี้ที่สุดคือจักรวาลมีขอบเขตจํากัดสี่โลกไม่มีที่สุดคือจักรวาลไม่มีขอบเขตนะไม่มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลห้าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นหมายความว่าร่างกายกับจิตเป็นอันเดียวกันหกชีพอย่างอื่นสิริระก็อย่างอื่น หมายความว่าร่างกายกับกจิตเป็นคนละอย่างเจ็ดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วย่อมเป็นอีกคือคนตายไปแล้วก็ไม่สูญว่างั้นเถอะย่อมเกิดอีกเจ็ดแปดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วย่อมไม่เป็นอีกคือหมายว่าตายแล้วก็สูญหมดกันมีชาตินี้ชาติเดียวเก้าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้ว ย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีคนตายแล้วเกิดอีกก็มีตายแล้วศูนย์ก็มีหมายความอย่างนั้นสิบสัตว์เบื้อหน้าแต่ตายไปแล้วมีอยู่ก็หามีได้ไม่มีอยู่ก็หามีได้หมายความว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่ใช่ไม่ศูนย์ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่รู้จะออกในมุกไหนนี่เป็นปัญหาของที่พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์ก็เพราะเหตุไรนะ ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเพราะเหตุไรที่พระพุทธองค์จึงไม่พยากรณ์ก็เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อความคลายกําหนัดยินดีเพื่อความดับทุกข์เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยทําทั้งสิบข้อเนี่ยนะที่ปัญหาทั้งสิบข้อเนี่ยไม่เป็นไปเพื่ อ, เ, อ, อเพื่อความ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนดเพื่อกำหนดจินดีเพื่อความดับทุกข์เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ผลที่สุดคือเพื่อนิพพานดูก่อนมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์ เ, เรื่องที่พยากรณ์ก็คือเรื่องที่ว่านี้ทุกนี่ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงนี้นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เราพยากรณ์ดูก่อนมาลุงกยบุตรถ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะกล่าวว่าเราจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคจนกว่าพระองค์จะอธิบายปัญหาเหล่านี้บุคคล น, นั้นก็คงจะตายเสียเปล่าทั้งที่ตถาคตยังไม่ได้ตอบปัญหาเหล่านี้เลยดูก่รมาลุงกยบุตรสมมุติว่าบุรุษผู้หนึ่ง ถูกยิงบาดเจ็บด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษและญาติมิตรสหายของเขาพาเขาไปหาศัลยแพทย์หมอผ่าตัดเพื่อจะเอาลูกศร อ, ออกสมมุติว่าบุรุษนั้นพึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้อาถอนลูกศร อ, ออกจนกว่าจะรู้ว่าใครยิงข้าพเจ้าบุคคล น, นั้นเป็นใครวันณั ก, กษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรชื่อและโคษของเขาว่าอย่างไรสูงต่ำหรือดำขาวอย่างไร อยู่บ้านไหนเมืองไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นลูกชนูชนิดใดบุรุษนั้นคงจะตายเสียโดยที่ยังไม่รู้คำตอบสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถ้าบุคคลผู้หนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติครหมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะตอบปัญหาเหล่านี้เช่นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เป็นต้นเขาคงจะตายเสียโดยที่สถาพัยังไม่ได้ตอบปัญหาเหล่านี้เลย สรุใจความาเรื่องอันตะไครกัติฐิก็คือว่าอาสูตรนี้มีโลกเทียมหรือไม่เทียมเป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเพราะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเรื่องที่ทรงตอบก็คืออริยสัจสี่เพราะมีประโยชน์เป็นไปเพื่อตรัสรู้และนิพพานนี่ก็คิดว่ า, านักเรียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจนะเรื่องปัญหาอันนี้นะปัญหาเรียกว่า อทิฏฐิสิบประการนะก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเป็นปัญหาที่ชั่วร้ายนักแล้วก็ไม่ถึงกับห้ามสวรรค์แต่ว่าห้ามห้ามอริยมรักษ์นะห้ามอริยมรักคือคนที่มีทิฏฐิเหล่านี้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทําบาปทุจริตเพราะทิฏฐินี้เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วย่อมเกิดในสวรรค์ก็ได้แต่ยังไม่ได้ละเพียงใดยังเป็นผู้อภัพไม่อาจบรรลุอริยมรักษาได้เพียงนั้นนะ นี่ก็เป็นเรื่องอันตรายกาะทิฐิก็หวังว่าท่านผู้ฟังนักเกรยียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจต่อไปก็จะพูดถึงทัศภรรยานศิกคำว่าทัศภรรยานแต่ว่าภรรยานเป็นกำลังของพระตถาคตเจ้าอ่าติประการคือหนึ่งฐานาฐานญ า, านปรีชากำหนดรู้ฐานะคือเหตุที่ควรเป็นได้และอาถนาะ คือไม่ใช่เหตุที่ควรเป็นได้หมายความว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาเป็นฐานะอย่า ง, นงหนึ่งนะเป็นฐานะอย่างหนึง่งกุศลกรรมให้ผลดีอกุศลกรรมให้ผลชั่วเป็นฐานะอีกอย่างหนึง่งสิ่งใดมีความคิดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจักไม่ดับเลยเป็นฐานะอีกอย่างหนึง่ง อากุศลกรรมให้ผลชั่วกุศลกรรมให้ผลดีเป็นฐานะอีกอย่างหนึ่งพระยานที่หนึ่งได้แก่ปรีชากําหนดรู้ฐานะและอัฐานะโดยดังผู้ดังบรรยายมานี้ข้อสองวิปากรรยานปรีชากําหนดรู้ผลแห่งกรรมข้อนี้หมายความว่ากําหนดรู้ผลแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายผู้ทํากรรมทั้งที่เป็นบุญทั้งที่เป็นบาป ต่างให้ผลทั้งนีและชั่วสับสนกันไม่หลงสันนิฐานในอัานะข้อสามสัพพะคามิเีปฏิปทาญานตรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงหมายความว่ากำหนดรู้กรรมทั้งที่เป็นกุศล ท, ทั้งที่เป็นอกุศลซึ่งาเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุคติทุคติและกำหนดรู้ปฏิปทาอันจะนำ ให้บรรลุพระนิพพานตีนานาทาตุยานปรีชากำหนดรู้ท่าต่างๆหมายความว่ากำหนดรู้วิธีแยกสมมุติเช่นสัตว์บุคคลออกเป็นขันเป็นอาจตนะออกเป็นท่าให้เห็นว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดเพราะเหตุประกอบขึ้นหลายๆอย่างเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมดกันไป ข้อห้านาณาที่มุตติกยานปรีชากำหนดรู้อธิมุตคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันหมายความว่ากำหนดรู้อัจยาศัยดีหรือเลวของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันด้วยอำนาจวาสนาที่สัตว์เหล่านั้นได้อบรมไว้หก อ, อินทริยปรโรปริยติยานปรีชา ปรีชาญาณรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายหมายความว่ากำหนดรู้อินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายกับทั้งคุณและโทษอย่างอื่นว่าเป็นอย่างไรข้อ 7. ยญาณที่สังกิเลสาธิยานปรีชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมียาณเป็นต้น หมายความว่ากําหนดรู้ความเศร้าหมองและความฟ่องแพลวความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิสมาบัติว่าจักมีเพราะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรข้อแปดปุเพนิวาสานุสติยานปรีชากําหนดระลึกชาติผลหลังได้ว่าเมื่อก่อนชาติก่อนๆมานั้นจะเป็นตั้งแต่ห้าร้อยชาติมาก็ตามเคยเกิดเป็นอะไร มีโคดเงาเหล่ากออย่างไรทํากรรมอะไรนี่รู้หมดข้อเก้าจุตูปปตาตยานปีชากําหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรมหมายถึงว่าผู้นั้นที่เกิดมาอย่างนี้เพราะทํากรรมอะไรนะแล้วก็ตายไปเกิดเป็นอะไรนะเพราะว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้ให้ไปอบายภูมิก็ได้ให้ขึ้นสวรรค์ก็ได้นี่เรื่องกรรมทางนั้น ข้อสิบอาสวัคคยายานปีชากำหนดรู้จักอาสวะให้สิ้นนะรู้จักทำอาสวะให้สิ้นก็คือรู้จักทำอริยสัจสี่รู้จักอริยสัจสี่ท่านเองรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักผนทางให้ถึงความดับทุกข์พยานทั้งสามข้อข้างท้ายนี้นะได้เคยอธิบายไว้ในวิชาสามนะได้เคยอธิบายไว้แล้วก็คิดว่าไม่ไม่ต้องพูดส่วนมากก็พูดแต่เป็นเพียงแนวทาง ทีนี้ก็จะพูดในในเรื่องของบารมีสิบต่อไปเลยนะในบารมีสิบก็คือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีคำว่าบารมี สารนิษฐ์คว่าบารมีมาจากคำว่าประมะแปลว่าคุณสมบัติหรือปฏิปทาอันยอดเยี่ยมอันยอดยิ่งคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงบาเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อบารมีเต็มแล้วจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบารมีสิบนี้จำแนก อ, ออกดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นในบารมีสิบนี้ ขั้นแจกออกเป็นสามหมวดคือบารมีสิบขั้นต้นอุปบารมีสิบขั้นกลางปรมาถบารมีสิบขั้นสูงนะรวมเป็นสามสิบทัศนะ์รวมเป็นสามสิบทัศนฉะนั้นพูดถึงเรื่องบารมีสิบแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาทางนั้นนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ได้บําเพลิมาแล้วทางนั้นเลยฉะนั้นหากว่าพวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบรารมีสิแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานี่มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิปทาของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพา ะ, ะข้อที่หนึ่งทานนบรารมี พระองค์มีพระสันดานไม่สนี่เหนียวแน่นมีพระฤทัยเผื่อแผ่เฉลี่ยแบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตนฝ่ายเดียวพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งที่สุดเสียสละแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็เสียสละได้นี่ว่าเป็นเป็นขั้นสูงนะเป็นขั้นสูงที่เราเสียสละกันทุกวันนี้มันเป็นเพียงขั้นต้นนะขั้นธรรมดาเสียสละวัตถุ กันเนี่ยที่เขเสียนิดนิดหน่อยแต่ที่พระองค์ได้เสียสละนั้นเรียกว่านับเป็นเป็นกฎโกรธว่างนันเถอะนะบางทีต้องช้างห้าร้อยตัวม้าห้าร้อยตัวโคห้าร้อยตัวนะแล้วก็เงินทองอีกอย่างละห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยอืมมากนะมากเรียกว่าพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับใน ลักษณะของคุทธฟิฟาสิทธทิว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมฉะนั้นพระองค์ก็แม้ว่าใครจะมาควักเอาดวงตาหรือเอาเนื้อคือห่าไทยพระองค์ก็เสียสละทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องฐา น, นเป็นเรื่องฐานก็ไม่มีใครที่จะบริจาคหรือเสียสละได้ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่าพระองค์ข้อสองสีลบารมีพระองค์มีพระจัญญา ปกติสุภาพเรียบร้อยไม่กระด้างกระเดืองและไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเรียกว่าพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องพระจัญญานะทุกสิ่งทุกอย่างแม้นะว่าการที่จะเจรจาหรือว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เรียบร้อยนะแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของศีลบรารมีถือว่า ไม่มีใครประพฤติปฏิบัติได้ยอดเยี่ยมยิ่งไปกว่าพระองค์ข้อสามเนคขมะบาลมีพระองค์มีพระปรีชารู้เท่าทันความเป็นจริงของตนแล้วไม่ทรงหมกมุ่นยินดีอยู่ในกามพระองค์ทรงพรากิจออกจากกามเพื่อแสวงหาคุณยิ่งขึ้นไปอันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นลูกของพระราชาหมากริสัผู้ยิ่งใหญ่ ในกรุงกบิลละพัทเรียกว่าสเสวยสันสเสวยวิมุตติสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะเรียกว่าจะเป็นในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคอหรือว่าเครื่องบำรงุงบำรเรอทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มีพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ต้องการนะไม่ต้องการเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกขพระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องเศร้าหมองนะ เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเนเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายและต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยจึงหาทางออกนหาทางออกทลาบกิตออกจากการมแล้วก็สแสวงหาโมกะธรรมก็โดยการออกบวชนั่นเองขอ้อที่สี่ปัญญาบารมีพระองค์มีพระตีชาความสามารถรู้เท่าทันความเป็นจริงของธรรมดาทั้งคุณและโทษเหตุและผลคือรู้สภาวธรรม ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนะไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนเรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะมีปัญญาเสมอเหมือนหรือเท่าพระองค์ได้นะไม่มีเพราะว่าเรื่องปัญญาบา ร, รมีนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ครั้งนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ก็ เมื่อมีบา ร, รมีเต็มแล้วเมื่อมีบา ร, รมีเต็มแล้วฉะนั้นปัญญาบา ร, รมีนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะตัดกิเลสตัณหาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วก็ทำให้มีเหตุมีผลรู้เท่าทันต่อสภาวะความเป็นจริงโดยคุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ข้อห้าวิริยะบา ร, รมีพระองค์มีพระอุตสาหะความเพียรพยายามบากบัน่น ในปฏิปทาเครื่องดําเนินให้ถึงที่สุดแห่งวัฏฏะได้คือหมายความว่าพระองค์ได้ใช้ความเพียรอย่า ง, ง, งหนักหาผู้อื่นจะทําความเพียรเสมอเท่าพระองค์ไม่มีขนาดว่ายน้ําอยู่ในทะเลได้ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนเนยยังว่ายได้นะยังว่ายได้เรียกว่าพยายามไปถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นฝั่งก็พยายามไปนะผลที่สุดก็นั่นแหละเรียกว่า ผู้มีบุญก็เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเห็นความอุตสาหะวิญญาณก็มีคนมาช่วยอืมแล้วก็ลองดูทีที่พระองค์ได้าบำเพ็ญทุกขักิริยาอย่างแสนสาหัสอดอาหารก็ทดลองมาหมดแล้วนไม่ทานอาหารไม่ฉันอาหารเลยก็ทํามาได้เรียกว่ายากนักที่คนจะทําอย่างนั้นได้นไม่มีผู้ใดจะทําได้เสมอเหมือนพระองค์อีกแล้วอืม ในทดลองมาหมดแล้วเรื่องความเพียรฉะนั้นพระองค์จึงได้จัดว่าวิริเยนะทุกขธรรมเจติบุคคลจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรนี่หรือในในศัพท์อื่นก็ทํานองเดียวกันเช่นว่อุดผาตาวินตเตทนังคนขยันย่อมหาสัพท์ได้คนขยันก็คือคนที่มีความเพียรคนที่มีความมานะคนที่มีความบากบันฉะนั้นคนเราถ้ามีความเพียรมีความขยันจะศึกษาเล่าเรียน อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะประกอบอาชีพการงานอย่างไรขอให้มีความอุตสาหะมีความภาคเปียนมีความพยายามทํากิจการนั้นโดยไม่หวั่นวันแล้วก็จะสำเร็จตามเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างข้อ6ขันติบารมีพระองค์มีความอดทนต่อความลําบากตากตําและอารมณ์ที่มากระทบคอยประคับประคองวิริยะภาพไม่ให้ท้อถอยหมายความว่าเรื่องความอดทนก็ไม่มีใครเท่าพระองค์ น αι. พระองค์อดทนถึงที่สุดแม้ว่าพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าจะไปบางเพญไปจุติอยู่ในภพในชาติอันใดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นบุรุษเป็นไรก็แล้วแต่พระองค์จะต้องมีความเพียรมีความอดทนอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสัตว์ก็มีความอดท น, นเป็นคนก็มีความอดท น, นทุกทุกชาติอันนี้เป็นการสร้างบารมีของพระองค์น αι. เรียกว่าความอดทนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในข้อนี้ก็ได้เคยสอนพวกนักเรียนว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ก็ได้ดีทุกคนนั้นขอให้เราอดทนถึงที่ความอดทนต่อแดดลมฝนหรือความเย็นความร้อนความหนาวต่อความเหนื่อยยากความลำบากต้องอดทนได้พอสำคัญที่สุดก็คือต้องอดทนอารมณ์ที่มากระทบะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือว่าอารมณ์ที่มายัออย่วยุให้เราไม่พอใจทําให้เราต้องเลิกความเพียรไปนั่นเราต้องอดทนได้นะเพื่อให้ความเพียรของเรานั้นเป็นไปโดยติดต่อกันโดยไม่ย่นย่อท้อถอยกิจจะกิจที่ทําคําที่พูดของเราก็สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างและการประพฤติทธรรมของเราก็จะสําเร็จอได้สมดังที่เราตั้งความวุ่นว้าวัฒนาไว้ก็อาจจะพบโมฆะธรรมได้ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดสัจจบรารมี พระองค์มีสัจจะประจําจิตใจนะประจำฮารุไทยทําอะไรทําจริงตรงรักษาสัตว์ไว้อากระดุดเกลือรักษาความเค็มของตนฉะนั้นคือแม้ว่าจะให้พระองค์ต้องเสียสัจจะโดยมีติดสินบนสิ้นบานเท่าไรมากเท่าไหรพระองค์ก็ไม่เอาถือว่าสัจจะเป็นใหญ่เรียกว่าสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมได้รักษาสัจจะได้เหมือนกับคําพูดที่ว่าเสียชีพดีกว่าเสียสัตว์นะเสียชีพดีกว่าเสียสัตว ดังนั้นพระองค์ต้องรักษาข้อนี้สําคัญอืจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลอจริงต่อเวลาแล้วก็จริงต่อคุณงามความดีเรื่องสัจจะนี่สําคัญมากข้อแปดอธิษฐานบา ร, รมีพระองค์มีพระหัตไทยตั้งมั่นในคําสัจจะธิษฐานของพระองค์คือหมายถึงว่าถ้าอธิษฐานอย่างไรปราถนาอย่างไรแล้วก็ต้องตั้งมั่นในสิ่งนั้นเหมือนกับคราวที่พระองค์ได้รับญาติ จากในยาคาจากในโสติยภาพลาแล้วก็เอามาราดเป็นบมะลังที่โคนสีหมหาโพว่าตราบใดที่อเนื้อและเลือดอยังเนื้อและเลือดของของพระองค์แม้จะเหือดแห้งาไปตราบใดถ้าหากว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอ่าเดี๋ยวพูดใหม่พูดว่า แม้พระองค์ยังไม่บรแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปตราบใดพระองค์ก็จะไม่ลุกจากที่นั้นคือหมายความว่าถ้าหากว่าพระองค์ยังไม่บรรลุในการตั้งสัจจาธิฐานที่คนสีมหาเพราะว่าถ้าหากพระองค์ยังไม่ได้บรรลุแม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปตราบใดพระองค์ก็จะไม่ลุกจากที่ตราบนั้นอืข้อเก้า เมตตาบรารมีพระองค์มีพระหัไทยปรารถนาความสุขความเจริญเพื่อผู้อื่นไม่เลือกที่รักมักที่ชังในสัตว์และในบุคคลทั้งหลายนะเรียกว่าประพฤติเสมอกันไปหมดเลยนะเสมอกันหมดทั้งคนและสัตว์ข้อสิบอุเบขาบรารมีพระองค์มีพระหัทยเป็นกลางไม่ลําเอียงเพราะเหตุความรักความโกรธความหลงหรือความกลัวบรารมีเหล่านี้ท่านแยกออกเป็นสาหมวดคืออ่าบรารมีสิทคือขั้นต้น อุปปบาารมีขั้นกลางปรมัตถบารมีขั้นสูงนะถือว่าเป็นบารมีสามสิบทัศน์ฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีปัญหาถามว่าบารมีท่านจัดเป็นสามหมวดหมวดละสิบจึงเป็นบารมีสามสิบทัศนจงยกบารมีข้อต้นมาแสดงพอเป็นอุทาหรณ์แล้วเชื่อเห็นว่าข้อไหนเป็นทานบารมีทานอุปบาบารมีและประมัตถบารมีอันนี้เราก็แก้ว่าสละทรัพย์เพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อเปลื้องทุกข์เขา จัดเป็นทานบารมีสละอวัยวะแห่งร่างกายเช่นพยายามทําประโยชน์หรือเปลื้องทุกข์เขาแต่ต้องเสียอวัยวะของตนในการทําอย่างนั้นจัดเป็นทานอุ ป, ปะบารมีสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่คนมากหรือเลี้ยงทุกขหรือเปลื้องทุกข์คนอื่นจัดเป็นทานนปรมัาบารมีเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องบา ร, รมีสิก็พอสมควรกับเวลาฉะนั้นในหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องอันตะไครกะิทิสิทก็ดีเรื่องทักษะสาวรายานสิก็ดีเรื่องบา ร, รมีสิทก็ดีก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรท่านสูงนะขึ้นไปเป็นลาดับฉะนั้น การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอันตาใครกะอันตาใครกะทิฏิสิก็ดีถทัศภรรยาณสิก็ดีบารมีสิก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยวันนี้จะพูดในหมวดที่สิบในหัวข้อว่ามิชตะ คือความเห็นผิดติดประการข้อหนึ่งมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดในแก่ความเห็นผิดที่เป็นอย่างเลวเช่นเดียวกับทิฏฐิสามอัคริยทิฏฐิอาเหตุกทิฏฐินักกิกะทิฏฐิยังกําคำว่าอัคริยทิฏฐิก็คือความเห็นว่าไม่เป็นอันธรมก็หมายความว่า เห็นว่าการทำดีและทำชั่วนั้นถ้าไม่มีคนเห็นไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยนะว่าการทำดีไม่มีคนเห็นไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีการทำชั่วไม่มีคนติชินไม่มีคนเห็นไม่มีคนติชินนินทาไม่ถูกลงโทษไม่ถูกจองจำก็ไม่ื่อว่าเป็นการกระทำความชั่วนี่คืออริยทิฏฐิ ฉะนั้นทุกวันนี้ก็จึงได้เอาหลักนี้เข้ามานะจึงไม่เอาหลักนี้เข้ามาใช้กันคือคนทุกวันนี้จึงได้ประพฤตินอกเรศนอกรอยกันมากนะประพฤติชั่วกันมากนะก็เพราะไปถือว่าไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นจะทําดีไม่มีคนเห็ น, นะ น, ห น, น, หนก็ไม่อยากทําจะต้องทําให้มีคนเห็นให้มีคนประกาศชื่อให้มีคนยกย่องชมเชยแล้วก็รู้สึกว่ามันชื่นใจ ฉะน้นคนทุกวันนี้จึงนิยมปิดทองข้างหน้าพระไม่นิยมปิดทองหลังพระแต่หารู้ไม่ว่าพระพุทธรูปจะสวยงามได้นั้นไม่ใช่เฉพาะมีทองแต่ข้างหน้าเท่านั้นจะต้องมีทองทั้งข้างข้างหลังด้วยทั่วทั้งองค์จึงจะสวยฉะนั้นเราจะต้องปิดได้ในทุกรูปทุกลักษณะทุกนั่งฉะนั้นการทําดีทําชั่วนั้นในทางพุทธศาสนาจะมีคน เห็นหรือไม่เห็นก็ตามรู้ไม่รู้ก็ตามยกจ่องหรือไม่ยกจ่องก็ตามจะติดฉินอินถาหรือไม่ติดฉินอินทาก็ตามถ้าเราทําดีในที่ใดเรารู้ตัวของเรารู้นะทําชั่วก็ตัวของเรารู้นะตัวของเรารู้ <c oughs> หรือยังในข้อที่สองอาเหตุตุกะทิติความเห็นว่าหาเหตุนี้ได้ถึงหมายความว่าบางคนเห็นว่า การทำดีทำชั่วนั้นไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุถึงคราวดีดีเองถึงคราวชั่วชั่วเองอเคราะดีก็ดีเองเคราะชั่วก็ชั่วเองนี่ไปคิดอย่างนั้นนี่ก็ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาในหลักของพระพุทธศาสานานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุนะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุถ้าเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นอ <Yeah. S 1> เมื่อหมดเหตุก็ถือว่าหมดกันไปดับกันไปนอย่างที่พระอาติติได้ตัดกับพระสารีบุตรีว่าเยาธรรมมาเหตุต <Yeah. S 2> ah ุปภวาเตสังเหตุตุงถาคาโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวัติมหาสมโนแปลให้สั้นที่สุดก็คือว่าทำเราใดเกิดแต่เหตุทำเหล่านั้นก็ย่ำดับลงด้วยเหตุ โดยมาในข้อที่ว่านัติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีคือปฏิเสธหมดทั้งเหตุทั้งผลคือเห็นว่าการทําบุญทําบาปนั้นไม่มีผลว่าคนเราไม่มีบุญคุณต่อการพ่อแม่ไม่มีบุญคุณกับลูกอ่ครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณกับติดแล้วคนเราฆ่ากันไม่บาปคือไม่ถูกคนถูกแต่พวกอนุปัมฐานุถูกช่องว่าง งนพวกนี้เขาจึงยกตัวอย่างว่าจะมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญมีคุณกันไม่ได้หรือว่าจะมีบาปกันไม่ได้ถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญมีคุณต่อ ก, กันอย่างฝนตกรถต้นไม้ไม่เห็นฝนได้บุญไฟป่าไหม้ต้นไม้ไม่เห็นไฟป่าเป็นบาสนี่เขาอ้างอย่างนั้นนี่แหละพวกนี้ละจัดเป็นพวกมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดอืีความเห็นผิดแต่ว่าในหลักพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีบุญมีคุณต่อกันพ่อแม่มีบุญคุณต่อลูกครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อจิตพระราชามากรสัตย์มีบุญคุณต่อประสบนิกรพระพุทธเจ้ามีบุญคุณต่อพุทธบริษัททั้งสี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงต้องเป็นบุญเป็นคุณต่อกันแม้แต่ต้นหมากรากไม้ก็มีบุญคุณกับพวกเรานพวกมนุษย์พวกสัตว์ให้ผลให้ดอกให้ใบให้ร่มเงา รากไม้ใบไม้ก็ยังเป็นยูกยาบำบัดทุกโรคโรคหายได้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังเป็นที่เก็บน้ำเป็นบ่อเกิดแห่งลำธารทำให้เรามีน้ำใช้น้ำดื่มกันทุกวันนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีบุญมีคุณต่อกันมาในข้อที่สองมิจฉาสังกับปักก็คือ ความดําริผิดในแก่ดําริแต่หากรรมในทางที่ผิดดําริในทางพยาบาทดําริในทางเบียดเบียนก็คือว่าเราประพฤติผิดคือหมายถึงว่าดําริในทางหากรรมก็คือแสวงหารูปหาเสียงหาสนหารสหาการสัมผัสอืม พูดง่ายๆคือยังเจ็บในรูปในเสียงในเกล็นในรสในการสัมผัสยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังดําริในการพยาบาทอ่าคิดพยาบาทคิดอาฆาตนะคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายผู้อื่นเทียดแขนผู้อื่นแล้วก็ยังดาริในการเบียดเบียนผู้อื่นก็คือว่าในการที่จะทําร้ายผู้อื่นโดยประการต่างๆอาจจะทําให้ผู้นั้นต้องมีร่างกายวิกลวิการทุกพลภาพ หรือถึงที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสังกับปะเรียกว่าดำมฤิ์ผิดดำมฤิผิดมาในข้อที่สามมิจฉาวาจาคือวาจาผิดได้แก่วจีทุจริตทั้งส<ม>ี่ก็คือพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอ้อสิ่งเหล่านี้มีแต่ที่จะ พักนำเวรภัยเข้ามาสู่ตัวเองสร้างสัตว์รูให้กับตัวเองข้อสี่มิจฉากรรมมันตะคือการการงานผิดทําการงานผิดได้แก่กายทุจริตทั้งสาม <Okay. S 1> ก็คือมีการฆ่าสัตว์มีการารักทรัพย์มีการประพฤติผิดระเวณีการฆ่าสัตว์ก็จะเป็นเบอเกิดทําให้เรานั้นต้องอายุสั้นผลไม่ฆ่าสัตว์ก็อายุยืน ยิ่งไปกว่านั้นการฆ่าสัตว์ก็ดีไม่ดีก็จะทําให้เรานั้นตายเพราะสัตว์นั้นก็ได้เ <c oughs> พราะการที่เราคิดฆ่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็รักสุขเบียดทุกข์รักชีวิตทางนั้นชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่รักมากของสิ่งมีชีวิตหวงแหนที่สุดฉะนั้นเมื่อเราคิดฆ่าเขาเขาก็ต้องป้องกันที่สุดบางทีเราก็อาจจะตายก็ได้บางคนไปยิงเนื้อยิงสัตว์ก็ถูกเนื้อพวกสัตว์นั้นกัดหรือว่ากุิเอาอะไรเอาทำร้ายเอาได้ ถึงกับเสียชีวิตไปก็มีฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราอายุสั้นทําอายุสั้นเพราะการไปทําร้ายชีวิตเขาก็คือเหมือนกับว่าเราทําร้ายชีวิตของเราหรือเช่นการลักทรัพย์ก็เหมือนกันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นธรรมชาติได้สร้างคนให้เรามานี้มีอวัยวะเท่ากันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมือมีเท้า ว่าให้เรานั้นทํามาหา ก, กินโดยกุจริตแต่ว่าเราหา ก, กินโดยการลักตัดช่องย่องเบานะขโมยเขาตูช่อโกงเขาถือว่ามันผิดศีลผิดธรรมเป็นการชุบมือเปิดเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นที่เขาหาทรัพย์มาได้ด้วยหยาิเหงือ่อแรงงานหยาดเหงือ่อเอาหยาิเหงือ่อแรงงานเป็นน้ําเป็นท่าเข้ามาด้วยความเนหน็ดเหนื่อยยากลําบากแต่ว่าเราไป ถืว่าโอกาตัดช่องย่องเบาหรือว่าจี้ปล้นค่าเข้ามาเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะทําให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดโทษอาจจะมีการสู้กนันรือฆ่ากันตายก็ได้หรือมิจฉา น, นก็ถูกเจ้าหน้าที่เขาจับจองจําไปถึงมิฉะนั้นกรรมอันนี้เขาจะต้องติดตามตัวเราไปหรือในข้อประพฤติิประเวณีเหมือนกันก็เป็นการย่ำเยีจิตใจกันบ่อนทําลายความสามคัคคีไม่เคารพสิทธิของการเลี้กัน มีแต่จะเกิดทุกข์เกิดโทษนะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมมาในข้อที่ห้ามิชฌาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดได้แก่เลี้ยงชีวิตในทางทุจริตคือสแสวงหาในทางที่ผิดศินธรรมอันดีอันงามของมหาชนอันนี้ก็หมายความว่าคือคนเราทุกคนนั้น จะต้องดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่กลัวในทางที่ชอบการที่เราดําเนินเลี้ยงชีวิตผิดด้วยการแสวงหาในทางทุจริตก็คือว่าการลักขโมยก็ดีตูชอบโกงที่ปล้นฆ่าก็ดีถือว่าเป็นอาชีพทุจริตในคำว่าทุจริต ก, ก็คือประพฤติชั่วประพฤติยากประพฤติลําบากก็จะทําทให้เรานั้นตกรกรรมลําบากดีไม่ดีก็อาจจะถูกจองจําติดคุกติดกระรางหรืออาจจะถูกฆ่าตายอะไรก็ได้ กา ร, ราดำเนินชีวิตในทางที่ผิดนั้นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ม, มีแต่ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติเราจะเห็นว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อสารมวลชนวิทยกุกระจายเสียงโทรทัศน์ก็จะมีการแนะนำํำคำสอนหรือชี้บอกกล่าวให้เรารู้เราเห็นอยู่ทุกวันมาปุ่นนั้นทําผิดอย่างนี้ปู่นนี้ทําผิดอย่างนั้นข้ากันเลยขันซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการผิดศิลและรมอันดีงามของมหาชน ข้อหกมิจฉาวายามะพยายามผิดในแก่เลี้ยงชีวิตในทางยังบาปธรรมให้เกิดและก็ให้เจริญขึ้นและในทางยังยังกุศลรธรรมไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและที่เกิดมีอยู่แล้วก็ให้เสื่อมสิ้นไปคือหมายความว่า ความพยายามผิดได้แก่เลี้ยงชีวิตในทางบาปนำบาปทำคือมีแต่ให้บาปนั้นเกิดขึ้นกุศลไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ที่จะเสื่อมไปอันนี้เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเราไม่ระวังที่จะป้องกันที่บาปทาจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราไอ้ที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วก็มันยิ่งเกิดกลับมากขึ้นบุญกุศล ก็ไม่สร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วที่มีอยู่แล้วก็ไม่รักษาไว้ก็มีแต่จะเสื่อมสิ้นไปข้อเจ็ดมิจฉาสติระลึกผิดในแก่ระลึกถึงอารมณ์อันยั่วให้เกิดราคะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึง่งคือหมายถึงว่าไประลึกถึงแต่ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ยั่วยุจิตใจของเราให้เกิดราคะ โทสะโมหะได้ <c oughs> <c oughs> ข้อแปดข้อแปดมิจฉาสมาธิตั้งจิตผิดได้แก่ภาวนาสะกดใจในทางหาลาภผลในทางให้ร้ายผู้อื่นในทางามให้ลหลงไหลต่างๆพู้ง่ายๆในการใช้เวทมนต์คาถา ห, หรือก็อใช้ พิธีกรรมต่างๆนะปวกสะหะเคราะต่อชาตาที่ทำสเสน่หยาแฟดอะไรอย่างนี้หรือในการแก้มีการเขาเรียกว่าทำพวกไสยศาสตร์ต่างๆอันนี้ก็เพื่อในทางแสวงหาลาภผลแล้วก็ให้ร้ายผู้อื่นอันนี้มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็เกิดความหายนะอีกด้วยด้วยกันทั้งสองฝ่าย ข้อเก้ามิจฉายานรู้ผิดในแก่ความรอบรู้เกิดขึ้นในจิตของผู้ที่ถือลัทธิต่างๆและประกอบภาวนาตามลัทธินั้นผู้หมายความว่าคนเราถ้ารู้ถูกก็มีแต่ความเจริญแต่แล้วถ้ารู้ผิดไอ้ความเห็นผิดหรือรู้ผิดในจิตใจแล้วก็ ทำให้เรานั้นประกอบไปตามลัทธิความนึกคิดของตนในทางที่ผิดไปตลอดเวลาก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนข้อสิบนิชาวิมุติพ้นผิดนี่ยคำว่าวิมุตินีะว่าหลุดพ้นแต่ว่ามันมีทั้งถูกทั้งผิดในพ้นผิดก็มีพ้นผิดข้อนี้ตามที่ท่านแก้ไว้ว่าน่าจะได้แก่วิมุติที่นิยมในลัทธิอื่นหรือที่ระงรับกิเลสบาปทําได้ชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าตะทังเขาวิมุติ ด้วยอำนาจตัวพระเจ้าผู้สร้างการละกิเลสแบบธรรมนั้นดีอยู่แต่การเชื่อ ว, ว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างนอกจากธรรมดาแต่งนั้นผิดอันนี้ผิดทั้งหมดนี้เป็นเป็นมิจฉา ต, ตคือความเห็นผิดๆประการทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าความเห็นผิดประการนี้มันมีอย่างไร ฉันถามว่าระลึกเช่นไรที่จัดว่าย่วราคะโทสะโมหะให้เกิดเรียกว่ามิจฉาสติเมื่อเป็นเช่นนี้จะควรเปลี่ยนความระลึกอย่างไรบ้างอันนี้เราก็บอกว่าระลึกถึงแต่สิ่งที่ตนรักใคร่พอใจมัวเพลิดเพลินอยู่มิให้มีเวลาสร้างได้และมาลำพึงถึงแต่สิ่งที่ตนไม่พอใจอันเป็นเหตุทําจิตให้คุณมัว เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะทางนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะลดลเสียว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเมื่อยังมีอยู่ตราบใดก็ยังใจให้ขุ่นเคืองรำคาญอยู่ตลอดเวลาตราบนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีในสิ่งที่ตนชอบใจ ไม่เสียใจในคราวที่ประสบอารมณ์ไม่เป็นที่เจริญใจและในคราวที่อารมณ์เป็นที่พอใจหายไปทำใจของตนให้เป็นปกติอยู่เสมอน้อมใจของตนไปในธรรมอันเป็นเครื่องทำลายล้างธรรมเหล่านี้เสียดังนี้เป็นต้นหรือจะถามว่าความที่จิดพ้นจากกิเลสเรียกว่าวิมุต ต้องเข้าใจว่าเป็นส่วนดีแต่วิมุตที่เป็นส่วนชั่วซึ่งเรียกว่ามิจฉาวิมุติในมิชตะมีอธิบายอย่างไรอันนี้เราแก้แก้ว่ามิจฉาวิมุติที่เป็นมิชตะน่าจะได้แก่วิมุติที่นิยมในลทัทธิอื่นหรือที่ระงับกิเลสบาป ท, ทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยอำนาจความกลัวพระเจ้าผู้สร้างหรือว่ากลัวพระเจ้าตามลัทธิของตนการระงับกิเลสและบาป ท, ทำนั้นดีอยู่ แต่ว่าการเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้สร้างนอกจากธรรมดาตกแต่งนั้นเป็นการผิดจากทำนองครองธรรมฉะนั้นมิจฉอจิตประการถ้าเราจะพูดในแปดข้อก็ตรงกันข้ามกับในเรื่องมรรคแปดนั่นเองนะในเรื่องมรรคแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเอเห็นชอบอันนี้มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาสังกัปปะดํำริอชอบอมิจฉาสังกัปปะก็ดําเริผิดเนี่ยตรงกันมรรคแปด ทีนี้ก็จะพูดไปอีกหนวดหนึ่งในเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ได้ทราบก็คือเรื่องสัมมันตะเรียกว่าความเป็นถูกนะความเป็นถูกความเป็นถูกในที่นี้พูดง่ายๆก็คือว่า ความถูกต้องพูดง่ายๆความถูกต้องจิตประการคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2, สองสัมมาสังกัปปะความดําริชอบ 3, สามสัมม า, าวาจาวาจอาชอบเจรจาชอบ 4, สี่สัมมากรรมมันตะการงานชอบห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบหกสัมมาวายมะพยายามชอบเจดสัมมาสติรึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบเก้าสัมมายานะ รู้ชอบติด ส, สัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบทั้งหมดนี้ก็ตรงกันข้ามกับมิชฉา ต, ต่างความเห็นผิดอันนี้ความเห็นถูกพูดง่ายๆว่าความเห็นถูกนะสมัสมมตตานี่หมายถึงความเห็นถูกอันโน้นเห็นผิดนะที่แล้วมาพูดว่าเห็นผิดอันนี้เห็นถูกพูดถึงเห็นผิดเห็นถูกนี่สาคัญมากในทางพระพุทธศาสนา เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวปัญญาคนเราถ้าหากว่าเห็นถูกตั้งแต่ในเบื้องต้นแล้วก็ทําอะไรมันก็ถูกไปหมดพูดก็ถูกทําก็ถูกคิดก็ถูกแต่ถ้าเห็นผิดในเบื้องต้นแล้วมันก็ผิดไปหมดพูดก็ผิดทําก็ผิดคิดก็ผิดนี่แต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอยู่อย่างเดียวฉะนั้นอสัมมตตะความเห็นถูกนี้นหมายถึงว่า เสธธรรมสิทธก็เรียกนะในในสัมมตติสิทธิ์เนี่ยบางที่ก็เรียกว่าเสธธรรมคือหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ที่ควรศึกษานะควรศึกษาแปดข้อข้างต้นมีอธิบายมาแล้วในมรรคแปดนะในวะโกวะก็เห็นถ้าจะไม่ต้องพูดอะไรมากเขาได้พูดมาเป็นเพียงย่อๆเป็นแนวทางเลย ว, ว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นชอบก็คือเห็นถูก เห็นถูกคือเห็นอย่างไรเห็นว่าทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัวตัณห า, าตัวตัณหาสามเห็นความดับทุกข์ก็คือเห็นนิโรธเห็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมักมีองค์แปดอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วได้พูดมาแล้วก็เห็นถ้าจะไม่ต้องพูดซ้ํา นะไม่ต้องพูดซ้ำข้อสองสัมมาสามังกปะก็คือดําเร็ชอบก็คือดําเร็ออกจากกามดําเร็ในความไม่พยาบาทดําเร็ในการไม่เบียดเบียนข้อสามสัมมาวาจา ก, ก็คือเจรจาชอบก็คืออพูดอพูดความจริงนะพูดความจริงแล้วก็พูดง่ายๆคืวไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเฟิรเจอร์ ข้อที่ 4, สีมม่สัมมาสัมมันตะก็คือการงานชอบก็คือไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติประเวณีนี่ถือว่าการงานชอบข้อที่ห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็คือไม่แสวงหาในทางทุจริตหลอกลวงาผู้อื่นเขาหากินหรือใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆนา น, นาหรือจี้ร่นค่าตูชอบโกง ทกสิ่งทุกอย่างเราต้องเว้นนเราเราทําในทางที่ถูกที่ควรในทางที่บริสุทธิ์ยุติธรรมข้อที่หกสัมมาวายามะพยายามชอบก็คือมีความขยันหมั่นเพียรในกิจที่ตนทําคําที่ตนพูดและโดยหลักใหญ่ๆก็คือว่าเราเพียรในทางธรรมก็คือเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจ เทียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปคือเทียนละความโลภความโกรธความาหลงให้หมดไปเพียนสร้างบุญสร้างกุศลทานเฉลิมสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตใจเพียนรักษาบุญกุศลคือทานเีลภาวนาที่มีอยู่แล้วให้เจริญขึ้นอย่าให้เสื่อมไปข้อที่เจ็ดสัมมาสติก็คือระลึกชอบระลึกชอบก็คือว่าระลึกให้ถูก เราลกให้ถูกแล้วคําว่าเราลกให้ถูกในที่นี้ก็คือว่าเราลึกในสิ่งที่ไม่ให้เกิดความยั่วยุนต่อราคะโทสะโมหะคือเราลึกแต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะปราบตัวราคะโทสะโมหะพูดง่ายๆก็คือให้เราลกถึงในกายในเวทนาในจิตในธรรม กายก็สักแตว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรมก็สักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราระลิกอย่างนี้ก็จะบรรเทาพวกกิเลสตัณหามานะทิฏฐิหรือพวกราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปได้ถึงที่สุดก็ให้หมดไปได้อย่างนี้เรียกบรรลกถูก ข้อที่แปดก็คือสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบการตั้งใจมั่นชอบก็คือว่าให้เราทําจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่นะให้แน่วแน่การที่ทําจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นนั้นจะทําให้จิตของเราเกิดความสงบให้เกิดความสุขอให้เกิดความสุขคือจิตที่เป็นสมาธิย่อมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง นะไม่มัวเมาไม่หลงนะไม่มัวเมาไม่หลงมาในข้อที่เกนะ้าในข้อที่เก้าก็คือสัมมาญาณนะคือรู้ชอบนะรู้ชอบก็ได้แก่มัคคยานจะได้เนื่องกับสัมมาวิมุตติแต่มัคคยานท่านแก้ไว้ในสัมมาทิฏฐิแล้วฉะนั้นสัมมาสัมมาญาณจึงได้แก่โคลยาน เนยานอย่างอื่นอีกไม่เนื่องด้วยมรรคยานเช่นปฏิสัมพิทายานนะสัมมาวิมุตติแก่สมุเทเฉทวิมุตติและปฏิปัติสัตวิมุตติหมายถึงว่าพ้นอย่างเด็ดขาดพ้นอย่างสงบราบคราบอันนี้ตั้งเป็นขั้นของภริยาบุคคลนะขั้นของภริยบุคคลฉะนั้นถ้ายังมีปัญหาถามว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมายานะ ในที่เช่นไรมีอัดว่าอย่างไรอันนี้เราแก้ว่าในที่อื่นไหมเอาสั ม, มาทิฏฐิซึ่งได้แก่มรรคยานแต่ในที่นี้ก็ได้แก่ผลยานและยานอย่างอื่นอันไม่เนื่องด้วยมรรคยานเช่นปฏิสัมพิทายานเป็นต้นมือถ้าจะถามว่ามรรคยานได้แก่สัมมายานใช่หรือไม่หรือจะพึงกล่าวอย่างไร อันนี้เราก็บอกว่าใช่แต่ท่านไม่ได้หมายเอาเฉพาะมรรคยานว่าเป็นสัมมายานอย่างเดียวหมายเอาตลอดถึงผลและยานอย่างอื่นอันไม่เนื่องด้วยมรรคยานนี้ด้วยหรือถ้าจะถามว่าสัมมาวิมุตติได้แก่วิมุตติห้าข้อไหนบ้างเพราะเหตุไร อันนี้เราก็แก่ว่าได้แก่สมุเทเฉทวิมุตติปฏิปัสสทวิมุตติเพราะเป็นเหตุหลุดพ้นจากกิเลสโดยความเป็นอกุ ป, ปาธรรมหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ไม่กำเริบ ก, กิเลสทั้งหลายที่พ้นได้แล้วไม่อาจกำเริบขึ้นมาได้อีกนะไม่อาจกำเริบขึ้นมาได้อีกอย่างนี้แหละเรียกว่าสัมมาวิมุตตินะเป็นสัมเป็นสัมมาวิมุตติใน ได้ในวิมุท่าในข้อสมุดเขเทวิมุทนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของอสัมมัตตจิตนสัมมัตตจิตคือนี่ที่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะพูดมาตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องกับเรื่องบารมีสิตก็ดี นะตั้งแต่เรื่องของมิจฉตะความความเห็นผิดจิดตประการก็ดีนะแล้วก็สำมันตะความเห็นถูกจิตประการก็ดีนะก็คิดว่านักเกรียนนักศึกษาก็ก็จะเอาเป็นข้อเปรียบเทียบกันได้นะก็จะจามาเป็นข้อเปรียบเทียบกันได้ แต่ขอให้นักเรียนได้เข้าใจว่าในมิจฉาสิทธินั้นคือความเห็นผิดก็ตรงคือในแปดข้อนี้จะตรงตรงกันข้ามกับมรรคแปดนะตรงกันข้ามกับมรรคแปดโดยเพิ่มข้อท้ายเข้ามาสองข้อคือข้อที่เก้ากับข้อที่สิบข้อที่เก้ากับข้อที่สิบนั้นก็หมายถึงว่ามิจฉาญาณก็คือรู้ผิดข้อที่สิบก็คือมิจฉาวิมุตติก็คือความหลุดพ้นที่ผิด เนีตัวนี้นกักเรียนจะต้องจาํานาะว่าพรอถ้าเขาถามบอกว่ามิจฉาตความเห็นผิดกับตรงกันข้ามกับมรแปดในข้อไหนบ้างเราบอกข้อเก้ากับข้อสิบแล้วก็มาในสัมมันตความเห็นถูกก็เหมือนกันเนะีความเห็นถูกก็คือในแปดข้อนั้นก็เหมือนกับมรแปดเนะี่ยมรแปดจริงจะเพิ่มข้อเก้าขึ้นมาเป็นสัมมยานนะก็หมายถึงว่ารู้ชอบ นะรู้ชอบแล้วก็สิก็คือสัมมาวิมุตติก็คือหมายถึงว่าความหลุดพ้นชอบนั่นเองนะเอาละการบรรยายเรื่องอมิช ต, ตะสิทธประการก็ดีสัมมัตตะสิทิประการก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร